สานของแม่เราทําพิธีทางศาสนาคริสต์โดยการฝังในสุสานมีบาทหลวงมาสวดบทนำเพื่อส่งดวงวิญญาณของแม่เราไปสู่สุกติแม่เราไปดีแล้วแม่เราพ้นทุกค้นโศไปแล้วหลังจากที่แม่เจ็บไข้ได้ป่วยมาเป็นเวลาช้านานตั้งแต่ไปยิ่งหายสาบสูญไปนั่นแหละแม่ก็ไม่สบายอยู่เลยอาสินบอกว่า แม่น่ะตรอมใจตายมากกว่าไม่ค่อยยอมกินอะไรเวลาไม่สบายก็ไม่ค่อยใส่ใจตัวเองเท่าที่ควรแม่เรากับพ่อจะพยายามดูแลแม่เป็นอย่างดีก็ตามแต่ก็ดูแลได้แค่ร่างกายภายนอกเท่านั้นเองแต่ภายในนี้สิเราไม่มีโอกาสได้รู้เลยว่าแม่จะปวดแค่ไหน แม่ขาดพี่ยิงนน่งเป็นคนหนึ่งเมื่อแม่ขาดทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตไปจังนั้นแหละพี่ยิ่งคือชีวิตและจิตใจของแม่เลยทีเดียวขนาดเราเองเรายังไม่สึกได้เลยปองครองคิดถึงพี่ยิ่งเหลือเกินแต่ไม่รู้จะทำจะไงมันหาทางออกไม่ได้เลยนอกจากทำใจเท่านั้นอยู่แต่เราเลย ขนาดพ่อซึ่งแข็งแรงมากๆระยะหลังมานี้พ่อก็ดูโทรมไปเยอะเลยทีเดียวหน้าตาไม่สดใสเหมือนแต่ก่อนอีกแล้วพระเจ้าได้โปรดคุ้มครองพ่อของลูกด้วยอย่าให้พ่อต้องจากลูกไปอีกคนเลยถ้าพ่อทิ้งลูกไปอีกคนลูกคงจะหมดกำลังใจที่จะอยู่แล้วล่ะเอียน ครับอาเอ้ยนี่เองลองไห้เหรอว ะ, อะคือว่าแม่เองนะ่ะไปสบายแล้วนะเว้ยเองจะมานั่งโอดครวญทําไมฮะผมสงสารแม่นะอาพอเธอะไม่ต้องคิดอะไรแล้วแม่เองนะ่ะไปดีแล้วถ้าพี่ยิงของเองตายไปแล้วจริงๆแล้วก็แม่เองกับพี่ยิงของเองจะต้องได้เจอกันแน่นอนแล้วถ้าพี่ยิ่งยังไม่ตายล่อะอาเออว่างันละอานี่ไอเย็น อเอ็งคิดยังไงกับเรื่องของผู้หยิงของเองน่ะแล้วอาใช่ผมคิดยังไงล่ะเอ็งคิดเหมือนพ่อเองหรือเปล่าว่าไอ้ยิ่งพี่ชายของเองน่ะมันยังไม่ตายเอ็งคิดอย่างนั้นด้วยหรือเปล่าฮะเอ่ออาคิดว่าผมควรจะคิดเหมือนพ่อไหมล่ะเฮ้ย <c oughs> ข้าถามใจของเองไม่ได้ให้เองน่ะมาย้อนถามข้านะเว้ยขอโทษครับอาอา้าวว่ามาไม่รู้สิบางครั้งก็อยากคิดเหมือนพ่อ เพราะเวลาที่คิดเหมือนพ่อผมจะมีความรู้สึกมีกำลังใจเดินต่อไปแต่บางครั้งถ้าคิดว่าพี่ยิ่งตายไปแล้วผมก็จะรู้สึกคดหูใจยังไงก็ไม่รู้ไม่มีแรงทำงานเลยละ่ะอาถ้าอย่างนั้นเอ็งคิดว่าเอ็งควรจะคิดยังไงละ่ะฮะถึงจะทำให้เอ็งนะ่ะมีกำลังใจคิดว่าพี่ยิ่งยังไม่ตายนะะ่ะเหรออาอืมคิดอย่างนั้นได้หรือเปล่าลนะ่ะคิดได้ครับ แต่ก็มีบางทีขัดแย้งกับความรู้สึกตัวเองเหมือนกันนั่นเป็นเพราะว่าใจหนึ่งของเอ็งนะ่ะยังคิดว่าพี่เอ็งตายไปแล้วก็เลยเกิดมีความรู้สึกต่อต้านกันเอง น, ะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะอาถ้างั้นเอ็งก็ต้องกำจัดความรู้สึกที่ว่าพี่เอ็งตายไปแล้วเปลี่ยนมารู้สึกว่าพี่เอ็งน่ะยังมีชีวิตอยู่เอ็งจะต้องเชื่อมัน่นเหมือนที่พ่อของเอ็งเชื่อมัน่น พระเจ้าทรงสอนให้รู้จักเชื่อมั่นในตัวเองให้มากที่สุดรู้ไหมครับอ่าอ๋อน้ำฝนมันเดินมาโน่นแล้วคงจะมีอะไรจะคุยกับเองละมั้งเดี๋ยวข้าขอตัวไปหาเพื่อนฝูงที่มาร่วมแสดงความเสียใจกับแม่เองหน่อยนะครับอ่า ทำใจได้หรือยังละเย็นพี่ฝนคือว่าผมพี่เสียใจด้วยจริงๆนะขอบคุณครับพี่ป้าก็ไปสบายแล้วจ้ะพ้นทุกพนโศกไปแล้วครับต่อไปีนี้เธอควรจะดูแลพ่อให้ดีนะอย่าให้พ่อเธอต้องตรอมใจตามแม่เธออีกคนเลยนะแล้วผมควรจะทําไงดีครับพี่อย่าปล่อยให้พ่อเธออยู่ตามลําพังคนเดียวโดยเด็ดขาดพยายามหาเรื่องใหม่ๆไปคุยกับท่านแล้วก็คอยให้กําลังใจท่าน แล้วก็จงเชื่อมั่นในสิ่งที่ท่านเชื่อพ่อผมเชื่อว่าพระเจ้ายังทรงคุ้มครองพี่ยิ่งอยู่พระเจ้ารู้ว่าพี่ยิ่งอยู่ไหนและพ่อก็มั่นใจในพระเจ้าด้ยวยว่าพี่ยิ่งยังไม่ตายอยู่ที่ไหนสักแห่งในเมืองไทยครับนั่นแหละจ้ะเธอก็จงเชื่อในสิ่งที่พ่อเธอเชื่อด้วยเหมือนกันเพราะเธอกับพ่อของเธอจะได้เดินไปในเส้นทางเดียวกันแต่ว่าถ้าคิดกันคนมุมแล้วแล้วก็เดินไปด้วยกัน สักวันหนึ่งก็ต้องขัดใจกันจนได้เพราะฉะนั้นเธอต้องเชื่อในสิ่งที่พ่อเธอเชื่อและพ่อเธอก็เชื่อในพระเจ้าด้วยครับพี่ผมก็เชื่อในพระเจ้าเหมือนกันครับดีมากจ้ะจงทำความดีเข้าไว้เหมือนที่พี่ยิ่งของเธอพูดอยู่เสมอว่าพระเจ้าทรงบรันรดาลให้ทุกอย่างกับคนที่คิดดีและก็ทาดีและพร้อมให้โอกาสคนดีกลับตัวกลับใจเสมอพร้อมที่จะให้อภัยกับคนที่ทำผิดแล้วก็สานึกผิด ถึงเวลานี้คนคนนั้นอาจจะคิดไม่ได้ยังทำไม่ได้อยู่ดีพระเจ้าก็ไม่เคยโกรธแค้นใดๆทั้งนั้นพระเจ้าท่านทรงเข้าใจและพร้อมที่จะหาโอกาสทำให้คนคนนั้นกลับตัวกลับใจเป็นคนดีนั่นละ่ะคือพระเจ้าของพวกเราละ่ะอ๋อครับพี่แล้วนี่พี่จะกลับไปเรียนต่อเมื่อไหร่ครับอีกเดือนนึงจ้ะตอนนี้ปิดภาคเรียนย่อยนะ่ะแล้วครับปิดภาคระหว่างเทอมใช่มล่ะครับใช่แล้วเอ๊ ก็รู้ด้วยเหรอเนี่ยรู้สิครับแล้วทําไมเธอไม่เรียนต่อเละเย็นถ้าหยุดเรียนกลางคันทําไมเหระก็ไม่มีใครช่วยงานพ่อพ่อเองก็ไม่ค่อยมีแรงทํางานแล้วระยะหลังนี้พ่อดูเหนื่อยๆยังไงก็ไม่รู้สิครับท่านคงจะลาแล้วล่ะผมก็ว่าอย่างนั้นแหละพี่ฝนพี่ใหญ่พี่เยีน็นพี่ย ง, พ, ยงพี่ยมพี่ยศพวกเขาก็ทําอะไรไม่เอาจริงเอาจังสักทีหนึ่งอย่าไปโกรธพวกเขานะไม่หรอกครับผมไม่เคยถือโทษโกรกเคิร์งพี่น้องเลย ก็รู้อยู่ว่าพวกก็แต่ละคนมีนิสัยกันยังไงบ้างกลัวแต่จะโดนพ่อแม่ผู้หญิงที่พวกมันไปแทะเล่มคว้าบุ็นลูกซองหญิงเอานาสิไม่หรอกถ้าเป็นอย่างนั้นก็ถือว่าชาติที่แล้วไปทํากับเขาเอาไว้มาชาติเนี้ยเขาก็เลยมเอาคืนพระเจ้าทรงตรัสเอาไว้หรอเพียงเปล่าหรือเจ้าอ้าพี่พูดเองก็ทําไมถึงพูดถึงางนั้นล่ะครับก็เห็นผู้ใหญ่ก็พูดกันอย่างนั้นนี่นาแต่ถ้าคิดอย่างนั้นได้ก็ดีไม่น้อยนี่เย็นนะ เวลาเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นกับใครในครอบครัวเราจะได้ไม่ทุกใจหนักไงละ่ะปล่อยวางไว้ไม่ให้งั้นนะ่ะก็เอาแต่ยึดติดเหมือนแม่เธอยึดติดมากจนเกินไปก็เลยเหมือนท่านตรอมใจตายอ่ะคือว่าอันที่จริงแล้วแม่เธอก็เชื่อในพระเจ้าไม่น่าปล่อยจิตใจถูกสิ่งชั่วร้ายครอบงําแบบนี้เลยจิตใจแม่ของเธอนอ่อนแอเกินไปแต่ผมจะไม่เป็นอย่างแน่นอนครับดีมากเจ้เย็นพี่เนี่ย เอาใจช่วยเธอนะขอบคุณครับแขกที่มาร่วมงานฝังศพแม่ของเธอนะทยอยกลับกันแ ล, ะละ้วล่ะเราเดินลงจากเขาไปด้วยกันเถอะรถพ่อพี่อ่ะจอดอยู่ทางด้านนู้นอนะ่ะผมจะกลับกับพ่อน่ะพี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะกลับด้วยกันกะว่าจะชวนลุงไปด้วยเหมือนกันนะจ๊ะอะก็ได้ครับฝนนะฝนพี่ฝนพี่ยังตามมารังควานพี่ฝนแล้วมันตกรถนะผมจะปกป้องพี่ฝนเองขอบใจมากจะไม่เป็นไรหรอก เราเดินลงไปเรื่อยๆเถอะพี่เยี่ยมเนี่ยไม่กล้าทำอะไรพี่หรอกเขาก็เก่งแต่ป่าเท่านั้นแหละระวังตัวไว้ก็ดีเหมือนกันนะพี่ฝนดูแล้วละจ้ะไปแล้วรีบเดินลงไปที่รถกันเถอะครับพี่เดี๋ยวสิฝนจะรีบจ้ำไปไหนฮะ เ, เย็นไอ่บอกน้องฝนเดินช้าๆหน่อยเดย้โทรเอ้ยตัง้งแข้าไล่าตาไปหรืองไงก็โท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 จะมีบาดแผลนับร้อยพันยังคงเรารักที่ดีดูตห น, น้าว่าเรางอสิ้นดีไม่มีรักที่จริงแท้ยังเหลือรอดยังคงยิ่งให้รักที่จบแบบอบช้ำปองพงปองเหลือใครสักคนที่จริง What thoughts u o I h ใครสักคนที่เป็นคนพิเศษที่มีได้จางหายไปช่วยเป็นสวงหัวใจ ชีวิตฉันยังว่า เคยเงาเลยจะทำตัวอย่างไรทุกครั้งที่พบเธอ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 เธอไม่รู้ทำไมฉันยังต้องเค้นทุกทีที่ใกลยกันมันคงเป็นความรักรักที่เป็นเราไม่เคยเหงาไม่เหมือนใครลับทุกความไม่ใจที่ยังไม่บอกเธอวันนี้ฉันจะกระซิบให้ฟังหมดทั้งใจจะพันเดินกข้างที่ฉันและเธอมี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 เกิดความรักที่เป็นเราไม่เคยเงาเหมือนใครลทุกความในใจที่ยังไม่อกเอวันนี้ฉันจะกระิบให้ฟังหมดทั้งใจำถที่ฉันเธอม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 เดี๋ยวพีฝนทำไมต้องวิ่งหนีข้าด้วยอ่ะพี่เยี่ยมีอะไรกับฝนหรือเปล่าจ๊ะแหมนี่เองพูดจาหวานหูเหลือเกินข้าได้ยินแล้วใจมันอยากจะสยบอยู่แทบเท้าเองรู้ไหมเออตกลงพี่เยี่ยมมีอะไรกับพี่ฝนเหรอเองยุ่งอะไรด้วยอ่ะฮะผมก็ไม่อยากจะยุ่งหรอกท่านนี่ไม่ใช่พี่ฝนคนที่พี่ยิ่งรักที่สุดเฮ้ยจะพูดอย่างนี้อนะีนะทำไมผมจะพูดไม่ได้ก็พี่ยิงรักพี่ฝนจริงๆนะแต่พี่ยิ่งของเองมันตายไปแล้ว เองจะให้ฝนมัวแต่คิดถึงพี่ชายเองได้ไงอ่ะให้คิดถึงผีหรือไงฮะไม่จริงอะ่ะพี่ยิ่งยังไม่ตายอะ่ะเองแน่ใจเหรอแน่ใจที่ฝนก็แน่ใจเมือผมเหมือนกันจริงเหรอฝนเองแน่ใจว่าไอ้ยิ่งยังไม่ตายเหรอฮะคือว่าเห็นไหม<อ>นั่นไงนั่นไงอ่ำๆอึ้งแบบนี้แสดงว่าเองไม่แน่ใจแล้วสิแน่าสิยิ่งกว่าแน่สิอีกพี่ยิ่งยังไม่ตายฉันจะรอพี่ยิ่งกลับมาขอฉันแต่งงานด้วยฝ น, นเองจะบ้าหรือไงฮะฉันพี่บ้านะ เองเป็นบ้าไปแล้วเองรู้ได้ยังไงว่าไอ้ยิ่งอ่ะมันรักเองอยู่เอาละสมมุติว่าไอ้ยิ่งมันยังไม่ตายจริงๆแล้วยังมั่นใจได้ยังไงเพราะว่ามันยังรักเองอยู่ตอนนั้นอ่ะพวกเองยังเด็กมากก็คบกันตามประสาเด็กๆไม่ได้มีอะไรผูกมัดโตขึ้นพวกเองยังจะรักกันอยู่เหมือนเดิมเหรอต้องเหมือนเดิมสิพวกเราสองคนเชื่อมั่นในพระเจ้าพวกเราเชื่อมั่นในความรักที่มีให้ต่อกันเหมือนที่พระเจ้าทรงมีความรักให้กับพวกเรา เป็นเอามากแฮะนี่เองไม่รู้บ้างหรือไงว่าเองอะโดนพระเจ้าล้างสมองไปแล้วนะอะพูดอย่างนี้อีกนะพี่เยี่ยมพระเจ้าทรงให้อภัยในคําพูดของพี่เสมอก็จริงแต่ก็ไม่สมควรพูดแบบนี้นะอืมข้ามันคนบาปคอยดูนะข้าจะไปขอเองแต่งงานให้ไดพ้พี่มีปัญญาหาเลี้ยงฉันเหรองานการก็ไม่เอาฐานแบบเนี้ยน้ำฝนเองพูดแบบนี้ดูถูกข้าเหรอเอ แต่อยากกระตุ้นใหพี่ขยันทํางานก็เท่านั้นแหละเออเอ็งคอยดูต่อไปก็แล้วกันข้าจะทําให้เ อ, อ็งยอมรับในตัวข้าให้จงได้ฉันจะคอยดูแต่ตอนเนี้ถ้าพี่เยี่ยมไม่อยากโดนพ่อฉันยิงตายแล้วก็รีบไปซะเห็นไหนั่นน่ะพ่อฉันพาดปืนลูกซองไว้บนบ่าแล้วเฮ้ยจริงว่ะพ่อเอง็งนักเลงจริงเห็นดีกว่าว่าอยู่ไม่ได้แล้วข้ากับลูกปืนไม่ถูกกันเป็นศัตรูกันด้วยไปละ เป็นไงหรือเปล่าเหรอฝนเวลาหาเจ้าจพ่อข้านึกว่าเยี่ยมน่ะมันจะไม่ยอมไปซะแล้วถ้าพี่เยี่ยมไม่ยอมไป น, น้สนจะทําอะไรเขาแล้วครับข้าก็จะร้องให้มันน่ะชิมรสชาติของตะกูยังไงล่ะไอเย็นน่าจริงเหรอครับเนี่ยอา้าวเรื่องคิดว่าข้าน่ะพาดเปินไว้กโกโก้อย่างนั้นเหรอคือผมนึกว่ า, น, าน้สนน่าทำท่ากลัพี่เยี่ยมกลัวไปอย่างนั้นเองครับโอยคนอย่างข้าเน่ะถ้านึกจะทําอะไรแล้วก็ทําจริง ดีนะที่พี่เยี่ยมรู้ตัวแล้วเผ่นแน่ไปซะก่อนไอ้นั่นน่ะมันพี่ขลาตาขาวชาติเนี้ยมันหาใครมาทําเมียไม่ได้หรอกไม่มีหน้าไหนหรอกที่อยากได้มันมาทําผัวคืนเป็นเมียมันสวยไปทั้งชีวิตเลยพี่เยี่ยมมาได้ยินน้าสนพูดอนะ่ะจะต้องเต้เป็นเจ้าเข้านแน่เลยล่ะข้าก็อยากจะให้มันน่ะได้ยินเหมือนกันว่ะมันจะได้ปรับลงตัวเองสักทีไม่ใช่ ที่ไปละลานผู้หญิงที่ไม่มีทางสู้แบบนี้เห็นแล้วน่าสมเพชว่ะมันนะนะยิ่งนานวันก็เหมือนใน ห, หน้าตัวเมียเข้าไปทุกทีแล้วพอ่ออย่าไปว่าคันเลยจ้ะเอ อ, เ อ, อไม่ว่าก็ได้แล้วเนี่ยจะกลับกันหรืออย่างหลังรอลุงยอดก่อนนะจ๊ะจะให้กลับดีกันนะจะพอ่อไอ้ยอดนะมันมากับไอ้ศิลน้นองชายของมันไม่ใช่หรือเอเยนอ้า เ, เปล่าครับรถอีแตนของอาศินเกเรครับเหรอ เาราไอ้ยอดมันก็ได้ขอบคุณครับพ่อจำใจลูกเพราะเองน่ารักเชื่อฟังข้าพ่อยังข้าน่ะถึงได้เชื่อเองยังไงล่ะฝนเอ้ย <laughs>